ก่อนที่มาจะเดินทางกับมาเมืองไทยทวนี้มาแวะที่อินโดนีเซียจัดดิทีที่นั่นสองดิทีก็รู้สึกน่ามีความหวังพุทธศาสนาที่นั่นจะก้าวไปเ ร, วเร็วกว่าเมืองไทยเราเพราะว่าความที่เขาเคยสูญเสีย พุทธศาสนาไปแล้วก็เหมือนได้กลับคืนมาเหมือนของที่มีค่าได้หายไปทีนี้ได้กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งนี่กรู้สึกมีความทุธนอมหงแหนพุทธศาสนางั้นก็เลยนขนไค่นะที่นั่นจัดทิธีเก้าวันนีมาไปนอนกลับไปนอนบ้านะจากวัด การที่ปฏิบัติไปหาบ้านคนต้องนั่งจรถจัจรติดสองสามชั่วโมงก็ยอมไปไม่ไม่ขาดนะเจ็ดแปดวันเนะี่ยตื่นมาที่สามที่ี่ก็ออกบ้านคือมาถึงที่ปฏิบัติเจ็ดโมงเช้านะก็ยอมมากันแราตัดเวลาก็ทำกัน ต, ตลอดทั <c> ้ง <oughs> สุวใหญ่เมื่อก่อนเขาเคยทำสมาธิแบบ หลับตามมาก่อนซึ่งพระในสายพุทโธธรรมยุทธ์เนี่ยเขาไปเผยแผ่นานแล้วพอมาเจริญสติเองเขาก็เห็นเป็นเรื่องแปลกใหม่หน้าศึกษาแต่ตือรือร้นมาศึกษากันซึ่งก็ในการปฏิบัติแบบนี้ถ้าหากว่าเรามีฐานของสมาธิมาระดับหนึ่งเนี่ยมันจะ มันจะง่ายนะเพราะจิตของเราสถานจิตของเราตั้งตั้งมัน่นปรับอารมณ์ได้ไม่ยากนรมรวมจิตได้ง่าย น, ะนี่หวานก็ไม่มากเพราะว่าโดยเฉพาะเราจัดลิชิทที่ต่างประเทศแต่ละแห่งนี้ส่วนใหญ่ก็จัดอาหารมังสวิรัตกันจะเบาเบาสบายแล้วในสาเหตุส่วนหนึ่งความ ไม่สบายทางกายเนี่ยอาหารเป็นตัวหนึ่งอันแรกก็คือการปรับความสมดุลไม่ไม่พอดีเกิดความไม่สบายกายก็เรียกว่ากรรมปรับกายกรรมไม่ถูกการยืนเดินนั่งนอนการปรับสมดุลของร่างกายในรุบทต่างๆไม่ ไม่ขยันปรับว่างั้นเถอะก็เป็นเหตุให้เกิดความปวดความเมื่อยความล้าความเบื่อได้ง่ายนี่ว่ากรรมอันที่สองก็คือแต่กรรมในที่นั้นก็หมายถึงอดีตกรรมด้วยว่าคนก็มีโรคภายไข้เจ็บติดตัวมาก็เป็นบุพกรรมด้วยก็ต้องมาทนต่อเช่นว่ามปวดหั ว, ป ว, วปวดท้องที่เป็นโรคเรื้อรังความโรคบางอย่างที่ประจาตัวมาอันนี้เป็นกรรม ปัจจุบันกรรมก็คือการปรับสมดุลร่างกายให้พอดีในบทสี่อดีตกรรมก็คือโรคภัยไข้เจ็บที่ติดตัวมาแล้วดอกมาก็ความสาเหตุของความไม่สบายทางกายคือจิตจิตของเราที่มันไม่โลง่งไม่โปร่งจิตของเราที่มันกดดันเก็บกดบีบคั้นกดเกร็งห่งจ้องพวกนี้จิตที่เราไปติดทัศนคติบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงยากปรับตัวได้ยากเนี่ ก็ทำให้เกิดความไม่สบายทางกายเหมือนกันโรกบางอย่างไม่ต้องกินยาแต่ว่าแก้ในชีทัศนสติแก้ความพิดเห็นเขาหายก็มีนี่ก็เรียกว่าจิตเป็นเหตุให้เกิดความไม่สบายกายอันที่สก็คืออุตุพลังชีวิตทั้งภายนอกถ้าเป็นภายนอกเรียกว่าดินฟ้าอากาศความกดดันต่างๆหนาวจัดร้อนจัด ความเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศแต่ถ้าหากว่าพลังภายในคือความต้านทานภูมิภายในไม่เข้มแข็งพ อ, อความกดดันของฟิล์ฟ้าอากาศภายนอกก็มีผลทําให้ไม่สบายเป็นหนาวเป็นร้อนเป็นไข้เป็นหวัดเป็นไอนี่ก็เป็นอันเยอะอันนี้ก็เป็นสาเหตุของความไม่สบายทุกทางกายแล้อันสุดท้ายก็ได้แก่อาหาร ส่วคัญโดยเฉพาะในการปฏิบัติถ้าเราจัดอาหารที่เบาได้ก็จะดีคือที่เราถานที่นี่ก็ค oh ือครั้งเดียวตอนเช้าตอนเย็นก็มีของรองท้องนิดหน่อยก็ถือว่าใช้ได้เบาสบายก็ในการที่เราสวนมาพูดในเรื่องของทุกทุกทางกายทุกทางใจ เราโทรมาณ ท, ที่เราสวดไปวันนี้เราพูดถึงเรื่องของการาดับนะการดับการดับของดับหายของทุกทางกายด้วยทางใจด้วยวิธีการดับเรต้องหาสาเหตุให้เจอก่อนถ้าหากสาเหตุไม่เจอเนี่ยทุกทางกายมีอะไรเรก็ปรับไม่ถูกแต่ถ้าหากสาเหตุเจอแล้วแล้วก็ก็ปรับในส่วนที่เป็นลูกประจําค่อยปรับลดลง ในส่วนที่เป็นโรคจรคือโรคอนิจจังทุกขงังอนัตตาก็ค่อยปรับเปลี่ยนแก้ไขเอาทีนี้ไอสาเหตุทางกายเนี่ยเราเพียงแต่บําบัดได้เท่านั้นไม่สามารถที่จะเยียวยารักษาให้ขาดได้เพราะว่ารูปนี้เป็นโรคโดยกําเนิดเดี๋เป็นโรค้านิจทงังรูปนี้เป็นหลังของโรคเป็นที่อยู่ของโรคเพราะยังจะหายโรคได้โดยเด็ดขาดนี่ ไม่ได้มันผิดกฎธรรมชาติทั้งมันมันจะต้องเป็นโรคโดยธรรมชาตินะโรคของอนิจจังทุกขังหน้าตานในส่วนที่เป็นกายสังขารนีแต่ในส่วนที่จิตสังขารเนี่ยเราสามารถเยียวยารักษาให้หายโดยเด็ดขาดได้เพราะว่าในส่วนที่เป็นนามหรือเป็นจิตเนี่ยมันเป็นสังขารก็ได้เป็นวิสังขารก็ได้นะ ถ้ามันเป็นสังขารอยู่มันก็ยังป่วยแต่ถ้าทําเป็นวิสังขารเสร็มันก็ป่วยไม่เป็นแก่ไม่เป็นเจ็บไม่เป็นตายไม่เป็นเพราะฉะนั้นจะทํานี้ให้เกิดตัววิสังขารขึ้นในส่วนจิตนะแต่ส่วนกายเป็นสังขารโดยฝ่ายเดียวที่จะต้องแปลปรนแปลงเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยที่ในแง่ของการดับที่สวดเราสวดมาไม่เกีย่ยงว่าการที่การดับไม่เหลือการ สลักการปล่อยวางการคลายคืนการสลักการปล่อยวางและการไม่หวนกลับไม่อะไรในสิ่งที่เราปล่อยวางไปแล้วในส่วนที่วิธีการการการละการละต้องไปอย่างนั้นนี่คือการอเซสเวลาคานิโรการดับการจางคลาย โดยไม่เหลือของของความที่เราอยากเราใคร่ทั้งหลายเนี่ยดับโดยไม่เหลือด้วยการจาโคการสลับทิ้งปฏินิสโคการสลับคืนมุติการปล่อยวางอนาลฬูการไม่ห่วยหาอะไรในสิ่งที่เราเคยได้เคยเป็นเคยมีเคยอยากเคยใคร่และไม่ห่วยหาอีกต่อไปนี่ก็เรียกกันไม่อะไร นี่คือการกันดับที่สิ่งเหล่านี้จะดับได้ดับได้ที่ไหนะโลเกปิยารูปังสาตุโรปังดับได้ในที่รักที่ชอบใจอเรารักในชอบใจในสิ่งใดก็ดับในสิ่งนั้นเรารักชอบใจในอะไรในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสรักชอบใจในตาหูจมูกลิ้นกายใจอืม ทีนี้ในส่วนดับก็ดับตามนนดับเหมือนเมื่อวานเมื่อวานเกิดนะเกิดแปดทางดับก็ดับแปดทางเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ดับทีลดทางเหมือนกับเราติดหลอดไฟไว้สักแปดหลอดเนี่ยเรามีสวิตเดียวนะพะกดสวิตนี้ดับป๊อปแปดหลอดดับครอบกันพร๊บเลยที่ประกัญสําคัญเราจะหาสวิตตัวนี้เจอไหมเวลากดแต่ถ้าหากว่าหาเจอ ก็ง่ายขึ้นนแะล้วมันก็จะมีสองสวิตสวิตเปิดสวิตดับตามหลักษณะนาของอปฏิสุบาทฝ่ายสมุทัยธาวาลคือฝ่ายที่มันเกิดฝ่ายเกิดทุกข์ก็มีตัวดันหาเป็นเหตุในส่วนดับทุกข์ก็ดับที่ดันหาเหมือนกันนะทีนี้เราในส่วนนี้ส่วนที่ดับ นี่ก็พูดถึง เ, เรื่องของการดับนี่เราก็การเกิดและการดับเนี่ยพูดขบวนการเดียวกันนะเพียงแต่สวิตเนี่ยดับกับเปิด off กับออนเนี่ยก็สวิตตัวเดียวกันเนี่ยอันหนึ่งมันกดขึ้นอันหนึ่งมันกดลงนะการเกิดทั่วการดับทุกขบ ว, วนการก็ที่เดียวกันอันหนึ่งเป็นทําอาวิชาเป็นสมุทัยให้เกิดแล้วก็ทําวิชาให้เกิดมันก็ดับนะ ที่เดียวกันคือตัวรู้กับตัวไม่รู้ตัวไม่รู้ก็เป็นเหตุให้เกิดสมูทยัยตัวรู้ก็ให้ดับสมูทัยนะั้นเป็นนิโรธนะแต่ว่าท่านจำเป็นต้องแจงรายละเอียดเอาไว้เพื่อให้เห็นที่ไปที่มาขยายให้มันชัดเจนเพื่อง่ายต่อการที่จะเข้าใจท่านเองเพราะว่าพุทธศาสนานั้นทุกอย่างก็ค้นหาที่เหตุให้เจอ เมื่อเจอเหตุแล้วมันก็ถอนได้ถอนรากถอนโคนได้สนิทมันเราจะถอนต้นไม้เนี่ยถ้าหากเราถอนได้ออกมาทั้งหมดเนี่ยมันก็จะไม่เกิดอีกต่อไปทีนี้ในการถอนตัวตันหาเนี่ยมันก็ต้องถ้ารากมันรืกอเราจะถอนได้ไงอถอนไม่ออกอคน ญาติมางคนนี่ที่เคยอยู่บ้านนอกในสมัยนี้คงไม่มีใครนึกออกละนะแต่เป็นแต่คนอายุมากบางคนเวลาสมัยาสมัยเป็นเด็กนี่เคยนะเวลาไปขุดมันเขาเรียกมันเสานะสมมติมันยาวลึกลงไปในดินใหญ่คขนาดนี้ลึกลงไปดินประมาณสักสองสาเมตรเนี่ยทีนี้ไอเสียมของเราที่มันขุดน่ยมันยาวแค่เม็ดเดียวพอมันขุดลงไปสุดเสียมแล้วมันก็หมายความว่ามันขุดต่อไปไม่ได้ละมันลึกทําไงทีนี้ถ้าเราจะเอาแค่ สุดดั้มเสียมเนี่ยมันก็ได้ครึ่งหนึ่งแต่มาอยู่ในดินอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยเราจะทําไงก็ส่วนใหญ่ก็ขุดไม่หมดอ่ะเพราะว่ามันลึกเกินไปส่วนใหญ่ก็ถ้าได้แค่นี้เม็ดนึงมันก็พอกินนะทั้งครอบครัวเนี่ยใหญ่เขาเรียกมันเสาทีนี้เราก็ถามคนแก่บางคนว่าเอ๊ะเราจะขุดมันนี้ให้ได้หมดจะทำไง ก็เลยบอกว่าขุดอ้อมเป็นวงกลมรอบเลยนะรอบมาในเสาเนี่ยขุดขุดขุดไปสุดด้ามเสียมเนะี่ถ้าสมมุติมันลึกไปประมาณสักเมตรหนึ่งเนี่ยก็ที่เหลือก็คือจากน้ามาเทใส่เทใส่เอาไว้แล้วก็ทําคันเบนะ็ดเอาไม้ประขึ้นมาโยงคันเบ็ดไม้ใหญ่นะไม้เรียบใหญ่ๆเนะี่ยเป็นไม้ไผ่ หรือมันใกล้อยู่ใกล้อลกอไผนะ่แล้วก็ตัดยอดไผ่ก็ดึงยอดไผ่ลงมาเลยเนะแล้วก็เอาเชือกมัดยอดไผ่ดึงลงมาแล้วก็มามัดไอ้หอยจุก ข, ของมันตัวนี้ยล็อกคอมันไว้ไม้ไผ่นี่ยแข็งม า, ากนะเสร็จแล้วก็น้ำแช่ไว้พรุนี้แล้วก็มาดูมันก็ยกขึ้นเลยทั้งทั้งหมดเลยนะได้ทั้นหัวยาวเฟื่อยเลยทีนี้หมดเลยไม่ไ ม, ไม่ไม่เหลือ แต่ถ้าสมมุติว่ามันไปหักเอาชนใดวนหนึ่งมันตรงนั้นน่ะมันก็เกิดเยอนทุกปีแหละเพราะมันก็งอกกึ้นจากหัวที่เหลือเนี่ยเพราะนั่นมันมันเสาเนี่ยก็เป็นมันที่ตายยากอายุเป็นพันๆปีไมายพราะว่ามันเกิดแล้วมันมันหัวมันก็คางอย่างนั้น่ะมันก็งอกขึ้นก็ขึ้นอย่างนั้นเอามาก็นึกดึงได้ถึงกระรักแห่งความอยากเนี่ยถ้าสมมุติว่ารากมันลึกอ่ะรากมันลึกเราถอนไ้่หสติปัญญาเรามีแค่นี้เนี่ย แล้วที่เหลือก็ไปทําชาติหน้าต่อไปก็แล้วกันเอ า, าเปิดชาติต่อไปก็ไปทําต่อแต่ถ้าสมมุติว่าเราสติปัญญาไม่พอมันกี่ภพกี่ชาตกิก็เอาขึ้นไม่หมดอยู่ดีเดพราะอะไรเพราะสติปัญญาเรามีสมมติมีเมตรหนึ่งเนี่ยแต่ไอความลึกของตัณหามันสองเมตรอย่างงี้นะเราจะทำยังไงทีนี้เราจะโยงคันเบ็ดเป็นต้นไม้ไฟเหมือนมันก็ไม่ได้อีกจะทํำยังไงอันนี้คือข้อสอบ นึกภาพออกไหมนึกภาพออกแต่ทีนี้ในแง่ของนา ม, มาทําเนี่ยต้องนึกภาพออกไหมว่าจะทําไงที่จะถอนรากของต้นหาเนี่ยก็ต้องมารู้ก่อนว่าดินเนี่ยท่านเปิดเสมือนรูปกับนามแล้วหวัวมันเนี่ยท่านเปิดเหมือนรากของต้นหาอย่างเงี้นะความอยากในรูปนามของเราเนี่ยมีดินอยู่ทีนี้จะทํายังไงถ้าดินด้วย้วมันแข็งมันขุดไม่ออกมันขุดไม่ หรือดินไม่แข็งแต่ว่าไอ้เครื่องมือของเรามันสั้นวิธีการคือต่อเสียมให้ยาวใช่ไหมถ้าเราเสียมให้ยาวคุ้นลงไปหลุมมันเล็กอ่ะมันมันก็ขุดยากอ่ะทีนี้เราเสียมให้ยาวเพราะขุดแล้วมันก็เอาไอ้ขี้ขุยมันขึ้นไม่ได้มันลึกเกินไปใช่ไหมขุดได้จริงแต่ว่าเอาเอาขุยมันขึ้นไปแล้วก็ขุดต่อไม่ได้เพราะมันติดขุยดินน่ะนะ มันก็จําเป็นต้องคือบางคนว่าเพิ่มสติปัญญาให้มากขึ้นอ่ามันก็จะมีมีปัญหาว่างขุดลงไปไม่ได้นั้นก็คือตัวรูปน้ําเนี่ยถ้าเพิ่มน้ําลงไปคือเพิ่มศรัทธานะ่เพิ่มศรัทธาคือเอาน้ําไปขังไว้เพิ่มศรัทธาแล้วก็ตัวคันก่งนั้นท่านหมายถึงความเพียรคันไม้ไผ่เนี่ยท่านหมายความเพียรทีนี้ ไอ้ตัวความเพียรที่ว่าเนี่ยหมายถึงไม้ก้านก้านไมแ้แข็งๆคือความเพียรต่อเนื่องนไม่เขามัดเอาไว้ต่อเนื่องเลยและสติคือเชือกที่มัดปลายไม้ไผ่ที่หยอดลงมาที่ล็อกติดหัวเงามันน่ยคือสติคือเชือกตัว น, นั้นก่งไม้ก่งนั่นคือคือความเพียรแล้วก็สติคือเชือกที่มัดจากหัวไม้ไผ่มามัดนี่คือความเพียรศรัทธานและความเพียตรต่อเนื่อง แล้วในที่สุดรากของตันหามก็จะถูกถอนขึ้นไดอ้อันนี้คือวิธีแบบโบราณทีนี้วิธีที่จะรักษาสถานและความเพียรได้ต่อเนื่องเนี่ยคือทําอย่างไรความเพียรต่อเนื่องว่าด้หมายหมายว่านั่งทําทั้งวันทั้งคืนนะถ้าคือ น, นั่งทงํานื้อคืนว่านคืนนี่ไม่ได้นะแล้วก็คงจะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึง่งแต่รู้สึกตัวทั้งวันทั้งคืนได้แต่ทําทั้งวันทั้งคืนไม่ได้ หมายถึงว่ารู้สึกตัวทั้งวันทั้งคืนถ้าตื่นจนหลับเนี่ยทําได้รู้ตัวทุกรูปแบบที่เราใช้ชีวิตนี่แหละเข้าไปรู้ให้เยอะๆอันนั้นคือศรัทธาและความเพียรทํางานร่วมกันศรัทธาหมายถึงว่าเราจะต้องมีจิตมีจิตพร้อมมีจิตอ่อนน้อมมีจิตยอมมีจิตยอมรับในสิ่งที่ที่ทํานั้นถึงแม้มันจะยากลำบากขนาดไหนเราก็จะทํา นั่นหมายถึงน้ําที่เราเทเข้าไปหล่อเลี้ยงในหลุมเพื่อให้ดินมันหลวมเพราะดินมันหลวมแล้วไอ้คันที่โก่งลงมาเนี่ยมัดติดมันก็สามารถไอ้โก่งไอ้ไม้มันดึงลงมาเต็มที่ใช่ไมมันแข็งมันก็พยายามจะดีดขึ้นพอาดีดขึ้นถ้าเมื่อดินตรงนี้มันหลวมตรงนี้พอพรุ่งนี้เช้าไปดูไปไงมันก็หลุดขึ้นมาทั้งยวงจิตของเราก็เหมือนกันเมื่อมีศรัทธาและความเพียรอย่างต่อเนื่องแล้วความอยากมันก็ถอนมาทั้งยวงเลยหมดเลย ดังนะ น, นั้นจุดนี้จึงอยากจะให้เร า, าพยายามดูคือคือให้เห็นโทษของการเกิดกันนะเห็นโทษของการเกิดการแก่การเจ็บการตายจนขึ้นใจมันถึงอยากพยายามแต่ถ้าเรายังไม่เห็นโทษของการเกิดแต่คนส่วนใหญ่ก็ยังยินดีในการเกิดอยู่ใช่ไหมเพราะอะไรเพราะเราติดใจในรูปเสียงกลิ่นรสว่าชาตินี้เกิดมามัน บุญญาวาสนาน้อยบุญไม่มีเห็นเขาสุขเพราะมีราบมียศมีคู่มีคลองมีข้าวมีของไรเราชีวิตแล้วไม่สมบูรณ์นยากยากจนชาตินี้ก็ตั้งปรารถนาเพื่อจะให้เกิดเอาให้มันสมบูร์ในชาติหน้านะเกิดเป็นคนร่ำรวยกับเขาบ้างเกิดเป็นคนผู้ดีมีปัญญากับเขาบ้างเกิดคนมีทรัพย์สินสมบัติกับเขาบ้างเนี่ยเขปรารถนาจะเกิดเพราะมันไม่สมบูรณ์ในชาตินี้ก็ปรารถนาไปชาติหน้า แล้วธรรมบุส่นให ญ, ญ่ก็ปรารถนากันอย่างนั้นมันจะเป็นไปได้ไหมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นในจุดเนี้ยเรียกว่าเรายัางไม่เข้าใจเรื่องทุกข์เพราะว่าเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ล่นไปเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะพอกูนสั่งสมตัวรู้ตัวปัญญาตรงนี้คือตั้งตั้งความเพียรตั้งสติเยอะๆมากขึ้นเรื่อยๆ มาเสียดายหลายคนนะที่มีศรัทธามีความเพียรมีสถีปัญญาดีแต่ว่าร่างกายไม่ให้นะร่างกายมาให้เป็นเรียกว่าไม่พร้อมนะเป็นโรคนั้นโรคนี้หรือสมองอบ้างหัวใจไม่ดีบ้างสมองไม่ดีบ้างปอดไม่ดีบงตักไม่ดีบ้า ง, างก็เริ่มไม่ครบละอาการไม่ครบสามในสองนันคือความยากของมัน ดังนั้นในช่วงที่เราทำเนี่ยเรามีความพร้อมในแง่ของร่างกายพร้อมที่สุดเนี่ยต้องรีบทำทีเดียวนะเราจะมันจะให้เราได้ทําสามารถทําไปถึงไหนก็ก็ทำถึงนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีศาสตร์ต่างๆที่จะดูแลร่างกายของเราให้ให้เข้มแข็งเพื่อที่จะทําสิ่งนี้นะถ้าเราปรารถนาที่จะทําสิ่งนี้ให้บริบูรณ์เนี่ยให้ร่างกายจิตใจของเราเข้มแข็ง เพื่อที่จะได้มีโอกาสทำสิ่งนี้แล้วก็ใช้สัตว์ต่างๆโดยที่ไม่ต้องไปหาเงินหาทองมากๆเพื่อจะไปซื้อวิตามินซื้ออาหารเสริมราคาแพงๆไม่ใช่งั้นเพราะเดี๋ยวนี้สัตว์ต่างๆทางเลือกมีเยอะนะแล้วก็ขนขวายมีการอัพเกรดความรู้ของเราในระดับในการรักษาดูแลร่างกายและจิตใจเนี่ยอยู่เสมอนะเพราะฉะนั้นการเจริญสติในความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่จะปรับให้ทิฏฐิ ความเห็นของเราให้เป็นสมาธิที่เท่านั้นนะแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดมันไม่ใช่ทั้งหมดคือหมยายว่าถ้าเราได้สมาธิิฐได้ความเห็นที่ถูกต้องแล้วเนี่ยเราก็จิตเราก็เปิดกว้างอ่าเมื่อจิตเปิดกว้างสติปัญญามันก็เพิ่มเมื่อสติปัญญามันเพิ่มมันก็มองเห็นทางที่จะปรับกายปรับจิตนี้ให้ให้มีความผ่ อ, อนคลายให้มีความสุขได้โดยที่ ไ, ไม่ต้อง ใส่เครื่องบํารุงบําเลอภายนอกเข้ามาอย่างที่พวกคุณทั้งหลายเขาคิดกันแต่เราใช้วิธีพูดก็คือใช้ความสุขอันเกิดจากการผ่อนคลายรักษาความสบายกายสบายจิต ด, ด้วยการผ่อนคลายด้วยการพ้ปล้งผ่อนคลายที่จิตก่อนนะถ้าจิตของเรามันลัดลึงตึงแน่นอยู่กับความเชื่ออะไรบางสิ่งบางอย่างมันไม่ปล่อยไม่วางอันนั้นน่ะคือตัวทําให้จิตเราแคบเราไม่มองหาเราไม่อัปเกรดตัวเอง ในแง่การพัฒนาไปรับรู้ในศาสตร์ใหม่ๆไปรับรู้ไปฝึกฝนในศาสตร์ใหม่ๆเพื่อดูแลร่างกายจิตใจนี่ให้เข้มแข็งเสมอเนี่ยมันก็จะเสียโอกาสตรงนั้นเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคที่มีเขาเรียกว่าเทคโนโลยีที่ดูแลร่างกายด้า น, นจิตใจก็พัฒนาเหมือนกันนะเรามีการเจริญสติในหลายรูปแบบนะที่เราได้ ศึกษาผ่านหนังสือผ่านสือ่อผ่านอะไรต่างเนี่ยการเจริญสติได้หลายรูปแบบเจริญสติแล้วทําไปแล้วให้ยิ่งทํายิ่งสบายกายสบายจิตบางแห่งก็ทําไปแล้วก็ยิ่งเกิดกลึงตึงเครียดไม่สบายกายไม่สบายจิตก็มีเพราะฉะนั้นการเจริญสติที่ถูกต้องเราทําไปแล้วมันต้องเกิดความผ่อนคลายสบายทั้งกายทั้งจิตอยู่เสมอนะถ้าทําไปแล้วมันมีโรคภัยไข้เจ็บเพิ่มขึ้นเรื่อยๆความอ่า ติดตึงเครงเครียดของกายของจิตมันไม่ลดลงเนี่ยแสดงว่ามันไม่ถูกล่ะมันต้องหาสาเหตุให้เจอนะเพราะฉะนั้นเองคนที่มาศึกษาทางนี้ที่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เนี่ยก็โชคดีที่เราจะได้ทําปรับจิตใจของเราให้มีความผ่อนคลายแล้วก็ทันศนะที่เปิดกว้างเพื่อที่เราจะสามารถรับเอ า, าศาสตร์ใหม่ๆเข้ามา ปรับปรุงแก้ไขชีิตของเราให้มีความาสุขให้มีความสงบทางกายและสงบจากกิเลสทางใจเนี่ยเพิ่มขึ้นนี่หมายถึงคนที่มีสมรรถทิฐิแล้วนะแต่คนที่มาศึกษาธรรมะแต่ ย, ยังเป็นวิชาทิฐิอยู่ก็ อ, อีกแบบหนึ่งนั่นก็หมายความว่าเอาธรรมะเนี่ยมาเป็นเครื่องมือสแสวงหาความสนุกสนานทางกาย แล้วก็ทางด้านจิตใจก็แสวงหาสติปัญญาเพื่อที่จะเอาเปรียบเพื่อนได้มากขึ้นแบบชาวตะวันตกเรือนี้คํ้าัาถือผู้ศาสนาเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะามาดักทุกข์ดับกิเลสแต่เขามาเพื่อที่จะแสวงหาวัตถุให้ละเอียดปราณีตขึ้นสามารถเสวยความสุขจากวัตถุโดยที่ไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรมากโดยอาศัยคนอื่นอย่างเงี้ย ซึ่งอันนี้ทางด้านวัตถุนิยมเนี่ยก็จะแปลงพุทธศาสนาเพื่อไปเป็นเครื่องมือสแสวงหาความสุขที่ปานีชยิ่งขึ้นอันนี้คืออันตรายนะแต่ในเมื่อเปิดทางสมาธิทิ่ได้แล้วเนี่ยเราเอาตัวสติสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการสแสวงหาความสุขสงบอันเกิดจากการชําระจิตให้บริสุทธิ์ชําระกายให้ให้ปลอดภัยจากโรคภยัยแท้จ็บ อันนี้เป็นสมาธิถี่มจะนําไปสู่ความสุขความสงบแล้วถ้าเรามีเวลาเหลือถ้าประสบผลสำเร็จมีเวลาเหลือเราก็สามารถที่จะแชร์ประสบการณ์อันนี้ให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมากมายแล้วเพื่อนมนุษย์ที่คนที่มีบุญกุศลพอสมควรก็จะได้เข้ามาในสายทางอันนี้มากขึ้นนะเพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยเม่โลกเข้าไปสู่วิกฤตแล้วก็ตามเราจะเห็นว่าผู้รู้หลายท่านเนี่ยออกมานําเสนอศาสตร์ต่างๆ เพื่อดํารงชีวิตอยู่อย่างกายปลอดภัยใจสงบเนี่ยมากมายนะแต่คนที่ไม่มีโอกาสก็ไม่มีโอกาสอยู่อยู่ดีแม้ในสังคมในโลกนี้เขาจะเสนอทฤษฎีเพื่อการพัฒนากายพัฒนาใจให้มีความสงบสุขยังไงก็ไม่มาสู่ทิศทางอันนี้อันนี้เราเรียกว่าเราเขาไม่ได้มาทางสายบุญเขาก็ไม่เจอในสิ่งดีๆนะ งั้นพวเราทุกคนมีโอกาสอย่างนี้แล้วเนี่ยคนที่จะนึกถึงคําว่าไอ้สมาธิทิเนี่ยให้ชัดเจนและแสวงหาคําตอบว่าอะไรคือสมาธิทิที่แท้จริงนะพระพุทธเจ้าตรัสไว้เพียงมักอันเดียวนะว่าจะทําให้สามารถพ้นจากทุกทั้งปวงได้คือสมาธิทิท่านตรัสเป็นภาษาบาลีว่าสมาธิทิสมาธานาสภะทุขาปัจจคุงว่าผู้ใดก็ตามได้ มีความคิดเห็นที่ถูกต้องความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับรูปนามอ น, นี้เกี่ยวกับชีวิตอันนี้เนะี่ยคนนั้นจะค้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ดังนั้นในสมาธิทิทั้งมีคำจำกัดความหรือ definition ของมันมี4ีให้รู้ในเรื่องสีเรื่องจึงจะเป็นสมาธิที่ได้เรื่องที่หนึ่งก็ให้รู้เรื่องทุกข์ที่ได้กล่าวมาแล้วเรื่องที่สองให้รู้สมุทัยให้เหตุเกิดทุกข์ เรื่องที่สามคือที่ในสวดเย็นเนี่ยการดับทุกข์ดับอย่างไรนะฮะ <c oughs> นี่ก็ง่ายๆถ้าหากว่าเราเข้าใจอยู่แล้วเนี่ยคือดับที่ตัวอยากอยากมนอาศัยอะไรเกิดอาศัยตัวคิดเกิดคิดเกิดข้ออะไรเกิดเพราะความไม่รู้ก็ไปตัดความไม่รู้เสียเดียวทีเดียวทีเดียวความไม่รู้เกิดจากที่เราเผลอเพราะนั้นเราก็จเจริญความไม่เผลอ ไม่เผอในในทุกระดับหรือเจริญความไม่ประมาทนั่นเองนีทีนี้อในความไม่ประมาทนะมันมีทั้งร้อยระดับเนะี่ยเราก็จะพย า, ายามไต่ระดับขึ้นไปว่าปัจจุบันเนี่ยเราไม่เผอระดับนี้นะซัวในหนึ่งร้อยนาทีเนี่ยเราเผอกี่นาทีนั่นก็คือในระดับของเราถ้าสมมุติว่าหนึ่งรอนาที เ, าเราเผอไป ห้นาทีอีห้าินาทีแล้วไปเถอะนั่นหมายความความไม่ประมาทของเราไต่ไปถึงระดับที่ห้าสิบแล้วแต่อีห้าสิบเราต้องพยายามไต่ต่อไปอวันต่อไปมันก็อาจจะหกสิบไม่เผลอหกสิบครั้งแต่เผลอไปสี่สิบครั้งวันต่อไปอไม่ใช่ว่ามันกลับเผลอใช่เจ็สิบครั้งไม่เผลอใช่สามสิบครั้งไม่ใช่เงี้ยนะให้มันไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆถึงมันจะช้าหน่อยช่างมัน แต่ให้มันอักพันไปเรื่อยๆสมมุติเราตั้งความประมาทไว้ร้อยร้อยขั้นอย่างงี้นะเออวันนี้เราขึ้นขั้นไหนตายระดับขึ้นไปเลยทีนี้ไอ้ความไม่ประมาทเนี่ยเราก็ต้องไปศึกษาในรายละเอียดเอาว่าอย่างไรที่เรียกว่าความไม่ประมาทไม่ขาดสติเนี่ยนะอันนี้ต้องมีการศึกษาทําความเข้าใจเพิ่มเติมเรื่อยๆศึกษาในที่นี้ก็อาจจะบางคนบางท่านอาจจะมีการ ฟังเทปมีการอ่านหนังสือมีการสนทนาธรรมมีการฟังจากผู้รู้มีแลกการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการอาเอาประเด็นต่างๆที่เขาว่าถูกว่าผิดมาฝึกฝนมาพิสูจน์อย่างสูงด้วยเรื่องนั่งภาวนาบางคนว่าหลับตาดีบางคนว่าหลับตาไม่ดีนี่เราจะเชื่อไหนอันนี้เราเริ่มศึกษาแล้วศึกษาหาคําตอบเอาเองเขาว่าเอ้หลับตามัน เพราะอะไรเขาถึงบอกไม่อยากให้หลับตาออลืมตามันดีอย่างไรถ้าเราจะไปเชื่อเขาเราก็ไม่มีเหตุผลถ้าเราไม่เชื่อเราก็ไม่มีเหตุผลเป็นของตัวเองทีไรจะทํำอะไรถ้าเชื่อก็ไม่ดีไม่เชื่อก็ไม่ดีก็ต้องลงมือพิสูจน์เอามาใช้วิธีแบบไห น, นออถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าท่านตัดเอาไว้ว่ามันใช่อันนี้ไม่ใช่ ถ้าเราเชื่อจำนั้นก็ไม่ใช่ปัญญาของเราอีกเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้ามันจะถูกก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้เกิดจากปัญญาของเราเวลาเราไปทําจริงๆมันอาจจะไม่ถูกทีนี้ก็ต้องทดสอบอ่าไปนั่งหลับตาสักครึ่งชั่วโมงแล้วลืมตาสักครึ่งชั่วโมงแล้วในช่วงที่เรานั่งหลับตาครึ่งชั่วโมงลืมตาครึ่งชั่วโมงลองศึกษาสังเกตไอความต่างระหว่างนั่งหลับตากับลืมตาดูถ้ามันยังไม่ชัด ในในรอบแรกเนี่ยเริ่มรอบที่สองใหม่รอบแรกนั่งหลับตาภาวนาไปครึ่งชั่วโมงในช่วงครึ่งชั่วโมงที่เราตาสังเกตดูให้ดีจบอ่าล้วก็อาจจะมีการบันทึกว่าเออในช่วงหลับตาช่วงนานนี้ที่หนึ่งนะมันคิดอย่างนี้ที่ที่สองเกิดสงบอย่างนี้นะที่สามเกิดภาพาหลอนมายาภาพอย่างนี้นะกระด่ที่สีเ่เกิดนี่ก็ดูไปให้ละเอียดแล้วก็ ในช่วงที่นั่งหลับตาในสูตรของมันก็คือนั่งขาสมาัดขาขวาท่าขวาซ้ายมือขวาถ้ามือซ้ายต่างตัวตรงอะไรเนี่ยเราก็ทําตามนั้นพิสูจน์ดูผลต่อกายในช่วงที่เรานั่งเฝ้าดูพิสูจนด้วยวิธีเนี่ยผลทางกายเป็นยังไงมันผลทางกายไปมันตึงตรงไห น, นมันเครียดตรงไห น, นมันปวดตรงไหนห น, นักเบาอย่างไรนในช่วงสามิบนาทีมันทึกรายละเอียดให้หมดเสียจแล้วอหารไป นี้มานั่งลืมตาว้างนั่งลืมตามีสูตทั้งวมดให้นั่งสบายแล้วก็นั่งแบบสบายนั่งไหนก็ได้ให้สบายแล้วก็ลืมตาแล้วก็ทําแล้วในช่วง30มสิบนาทีทำนี้ก็สังเกตผลกระทบทางกายไปยัไงผลกระทบทางจิตจิตมันเกิดอะไรบ้างเฝ้าดูโดยสติปัญญาเต็มความสามารถเลยแลหละทหละเอียดไปเรื่อยๆอ่าสานาทีผลสอบในวันที่หนึ่งออกมาอย่างนี้ยังไม่แน่ใจวันที่สองทำใหม่วันที่สามทำใหม่ จนกระทั่งสามวันผ่านไปแล้วเอาผลการทดสอบทั้งสามวันมาเปรียบเทียบกันดูมันก็จะได้ข้อสรุปอ๋อที่ว่าหลับตาที่ว่ามันไม่ดีมันอย่างนี้ที่ว่ามันดีมันอย่างนี้ลืมตาที่ว่าดีมันอย่างนี้ที่ว่าไม่ดีมันเป็นอย่างนี้แล้วก็เอาผลดีผลเสียทั้งสองอย่างอันนี้มันจะถูกจะผิดจะดีเราต้องรับผิดชอบเอาเองเพราะเราเป็นคนตรวจสอบนะแล้วอันนั้นก็จะเป็นผลของเราที่เราเชื่อได้ อันนี้คือตัวอย่างอันหนึ่งวิธีทดสอบความไม่ประมาทคือสิ่งใดก็ตามที่เรา <c oughs> ฟังจากคนอื่นเนี่ยก็เป็นประสบการณ์ของคนอื่นนะแต่เราไม่ใช่ปฏิเสธหรือจะยอมรับแล้วนามาพิสูจน์อีกทีหนึ่งเขาบอกเออเวลาคุณไม่รู้สึกตัวแล้วมันจะเกิดความคิดเกิดจริงหรือเปล่าถ้าถ้าหากว่าลืมตัวมันลืมอย่างไรที่ว่าลืมตัวเนี่ย เห็นไหมขบวนการในการศึกษาในการสังเกตต้องต้องทําทุกทุกระยะเลยนะทั้งการที่ชาวพุทธของเราที่ชาวพุทธเมืองไทยที่เราเป็นผลอย่างที่มันก้าวหน้าช้าก็คือฟังแล้วก็ทําตามเลยแต่ผลออกมามันไม่ยากก็เป็นอย่างที่เขาพูานียมันก็เป็นอีกแบบนึ่งเพราะอะไรเพราะนั้นคือเขาเขาบอกเราเราก็ทําตามที่เขาบอกแต่อันนั้นคือประสบการณ์ของเขา่แต่ของเรามันอาจจะไม่ใช่แต่เราก็ต้องเอาของเขาเนี่ยมาทําดูพิสูจดูว่า มันใช่มันเข้ากับเราไหมแต่ถ้ามันไม่ใช่เราก็หาเหตุต่อไปอีกนี้ท่านเรียกว่าโยนิโสมนณสิการคือเหตุแห่งความไม่ประมาทในทุกระดับการตรวจสอบนะการตรวจสอบการกระทำทุกอย่างที่เราได้ยินได้ฟังมาเนี่ยอย่างคำพูดหลวงพ่อเทียนที่เราฟังเทพบ่อยๆเนี่ย ก็ฟังร้อยรอบพันรอบกฟังแล้วก็คําไหนที่มันรู้สึกว่าเออคำนี้รู้สึกยังไม่เข้าใจใช่หรือไม่ใช่ลงมือทดสอบทันทีนะทดสอบหลายๆครั้งแล้วก็ได้คําตอบนะหรือคําพูดของครูบาอาจารย์ที่ท่านว่าเอาไว้อย่างนี้ที่เป็นคําพูดของว า, าจารย์ที่เป็นสมาธิธ ท, ที่ว่าเอาไว้อย่างนี้ใช่หรือเปล่าแล้วก็มาทดสอบ <c oughs> ก็ใช้กระบวนการดังกล่าวแนหะคือไอ้ที่ว่าทําอย่างที่ว่าเขาบอกไม่ใช่เนี่ยทำมันครึ่ง เขาบอกว่าใช่เนี่ยทำครึ่งหนึ่งแล้วก็มาตรวจสอบจากนี้เรื่อยไปนี่เขาเรียกขบวนการพิสูจน์แบบวิทยาศาสตร์นะอามาก็ชอบใช้วิธีนี้นะชอบใช้วิธีนี้เมื่อไรก็ตามที่เราเออที่เขาพูดมาน่าสงสัยจะใช่หรือไม่ใช่และถ้าได้ยินข่าวอะไรคือโดยด้วยความที่เราแย็บไข้ตรงนี้เนี่ยพอไปสู่เรื่องสมมุติภายนอกมันก็ใช้ขบวนการเดียวกัน สมมติคนนั้นมานินทาหรือมาบอกว่าคนนั้นทําผิดทําพลาดทาไม่ดีมาบอกเราเนี่ยเราเชื่อก็ผิดเราไม่เชื่อก็ผิดอีกทีนี้มันก็จะต้องเป็นขบวนการของเราที่เราจะพิสูจน์ตรงนี้ได้อย่างไรที่เขาบอกว่าคนนี้เลวนะคนนี้ไม่ดีนะเนี่ยบอกว่าคนที่ดีจริงๆนะเนี่ยเขาบอกคนที่ดีเราจะไปเชื่อเลยก็ไม่ได้เราเราก็ต้องไปพิสูจน์เขาดีจริงไหมจะพิสูจน์ยังไงได้ข้อที่จริงนั้นคือกระบวนการของเราเราจะทําอย่างไร แล้วจะเห็นว่าในส่วนละเอียดที่เป็นสมมติแบบนี้เนี่ยถ้าเราที่เป็นปรมามารเราพิสูจน์ได้ในส่วนสมมติก็เป็นเรื่องง่ายนะอันนี้คือการแก้ปัญหาและข้อสงสัยภายในการที่เร า, าจะดับทุกภายในเนี่ยจะดับเราพูดถึงดับดับนยะมันง่ายจะจะดับอย่างไรเนี่ยนะพูดได้เ อ, อาเสสว่เสส สวิลาคันิโลท ะ, ะจากะปตินิสขะมุติอนารโยเนี่ยมันก็ความหมายอันเดียวคือสดาละปล่อยวางไม่หุยหาทีนี้เวลาในสถานการณ์จริงเนี่ยมาทำอย่างนั้นได้ไหมอ่ามันไม่ได้เพราะอะไรทำไม่ได้ก็ต้องมาหาเหตุเพราะอะไรหาเหตุหา อ, อยู่นั่นแหละ จนกระทั่งรู้เหตุหมดแล้วเออมันไหมแล้วทำได้หรือเปล่าทั้งๆ ท, ที่รู้เราก็รู้แล้วเนี่ยทําได้ไหมบอกยังทําได้ไม่ได้เพราะอะไรอีกก็หาเหตุเราจะไปตอบแบบกำปั้นทุ่ดินไม่ได้เพราะอะไรก็เพราะมันไม่ ไ, มได้มันจริงไม่ได้อย่างงี้ไม่ได้นะมันไม่ได้มันต้องมีเหตุไม่ได้แหละอันนจะบอกเพราะมันไม่ได้ก็คือไม่ได้อันนี้ก็เราคนที่ปัจจุบันก็ใช้วิธีนี้เอาเลยนะซึ่งจะมาว่าไม่ถูกแบบนะั้นะกำปั้นทุ่ดิน ก็มันไม่ได้มันต้องมีอะไรเช่อย่างที่ไม่ได้เพราะอะไรเนี่ยคำต่อไปซึ่งส่วนหนึ่งที่ที่มามีวิธีการแบบนี้ก็เพราะว่าได้ภาคปฏิบัติในวิธีการขว้เทียนที่ทำมาเนี่ยอามาไม่ใช่ว่าดุ่มๆทาอย่างเดียวไม่ยอมรู้เรื่องอื่นไม่ใช่อามาก็ทําทั้งหมดนั่นแหละเรื่องการพัฒนาการสงเคราะห์การดูแลการสอนการอบรมทั้งส่วน ภายนอกภายในทั้งสมมติทั้งปรมาัดทั้งกายทั้งจิตทำมันไปพร้อมกันแล้วแต่ความแต่และอย่างที่เราเข้าไปทําเกี่ยวข้องด้วยสติเนี่ยมันเป็นการเจริญสติหมดไม่ว่าเป็นการต่อน้ําต่อไฟการสร้างบุติพุน้าบ่ก่อสาลาช่วยเลือยทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดทูอะไรทั้งหมดทําไปนั่นคือขบวนการแม้แต่ทํากับข้าวงานบางงานเนี่ยไม่มีโยมทำข้าก็ต้องลงมือทำํำนี่เป็นต้นแล้วจะเห็นว่า การเจริญสติแบบนี้จึงทําให้เร า, าสามารถพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ที่กว้างแล้วก็ได้สติในทุกระดับก็ได้ประโยชน์ทั้งสองส่วนประโยชน์ก็คือทําให้เราได้แยกขายขึ้นในการมองปัญหาแก้ไขกายแก้ไขจิตและทําให้เราได้ผลของงานที่ทําลงไปนั่นออกมาตเต็มเม็ตเต็มหน่วยนะ เพะนั้นในจุดนี้จึงอยากจะให้นักปฏิบัติของเราไม่ประมาทนะแล้วเวลาเรานั่งโดยเฉพาะนั่งแต่ละวันหลายหลายชั่วโมงซึ่งสําหรับผู้ใหม่เนี่ยโอ้โหพิกแล้วพิกอีกเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกเดินแล้วเดินอีกนั่งแล้วนี่มันก็ยังไม่ค่าสักที น, นะโอ้ทาไมมันเยอะขนาดนี้แล้วคิดว่าเยอะนะใช่ไหมนั่นเพราะทำไม่เป็นแต่ทําเป็นโอ้ทรมนมันข่าไวขนาดนี้แป๊บเดียวข่ำแล้วนี่นะนะ อันนี้คือทําเป็นทําไมเวลามันหมดไวถ้าเราเราทำอะไรสนุกเนี่ยรู้สึกมันไวไวเวลานะ่แต่ทําอะไรทําให้เป็นโอ้โหมันช้าเลย เ, เลยเมื่อไหร่จะหมดเวลาเสทีอันนี้ถ้าทาไม่เป็นต้องหาสาเหตุว่าทําไมเราจึงรู้สึกอย่างนั้นทำไมจึงรู้สึกเพราะอาะไรจึงรู้สึกอย่างนั้นหาสาเหตุอ๋อเพราะว่ามันทําแล้วรู้สึกมันไม่เข้าใจจริงไม่สนุกอ่ะเอ๊ะไปถามครูอ า, อาจารย์ถาม ป้าพิคุลก็อธิบายหมดเข้าใจเข้าใจได้หมดนะแต่เวลาไปทํามันทําไม่เป็นน่ะนี่ก็ต้องโอเรายังทํายังไม่ถึงนะาทายังไม่ถึงหมายความว่าไอ้ที่ผลสรุปทั้งหมดอะอธิบายไว้สมมุติระยะทางเยาวร้อยกิโลเมตเนี่ยแต่ตอนนี้เราเพิ่งเดินได้สักเมตรสองเมตรเนี่ยแต่คนอธิบายเนี่ยอธิบายไปล่วงหน้าเป็นร้อยเมตรแล้วเนี่ย เราก็มองเห็นในร้อยเมตรนะแต่ว่าทําไมเราไปไม่ถึงที่สุดเทียก็เพราะศักยภาพความสามารถเราเดินได้แค่นี้ก่อนวันหนึ่งสิบกิโลแต่นี่นสมมุติรนะ้อยกิโลเนี่ยวันเรามีความสามารถได้เดินได้สิบกิโลอีกเก้าสิบกิโลยังไม่ต้องคิดอ่ะก็เดินไปเรื่อยๆชั้นใดก็ดีไอการที่เราเดินทางแล้วยังไม่สนุกเพราะเราเอาจิตไปคิดล่วงหน้าไว้ก่อน แทนที่จะเอาจิตอยู่กับขณะที่เดินตรงนี้พอใจก้าวแต่ละก้าวตรงนี้ก้าวที่หนึ่งพอใจก้าวที่สองพอใจไม่ตรงว่าเอาเมื่อไหร่มันจะถึงจักทีหนึ่งจิตของเราก็ไปรออยู่ดักรออยู่ที่กิโลเมตรที่หนึ่งรอใใช่ไหมแต่เราเดินกิโลเมตรที่ห้าหรือที่สิบจิตกับกายเป็นไงชักเยอะกันใช่ไหมเพราะกายไม่อยู่ตรงนี้แต่จิตมันไปตั้งรออยู่ตรงนั้นน่ะโอ้โหมันทรมานมากเลยนะทุกมากเลย แต่คนที่ทำเป็นไปนไงมีความสุขทุกอย่างกา้ามีความสุขทุกการกระทำมีความสุขทุกการเคลื่อนไหวมีพอความพอใจในทุกการสังเกตตรงนี้แหละนี่เขาเรียกว่าทำเป็นคือทำใจเป็นทำใจให้อยู่กับการกระทำให้เป็นพยายามหาความสุขในการทำให้ได้ <c oughs> แต่ถ้ามันไม่มันไม่สนุกไม่สุขเพราะอะไรหาให้เจอ เพราะว่ากายกับใจไม่ไปด้วยกันนะั่นแหละนั่นแหละคือสาเหตุของมันมันไปด้วยกันเราอยู่ตรงนี้ทําอยู่ตรงนี้แต่จิตมันไปคิดไปแพลงงานที่บ้านโองานตรงนั้นก็ค้างหนี้ตรงนั้นก็ยังไม่ได้ใช้แล้วหนี้ตรงนั้นเราจะเอาไหนมาใช้เนะี่ยมานั่งปฏิบัติอยู่นี้ไอ้ไ อ, ไ อ, ไ อ, ไอ้ห น, นี้ติดค่ามอเกตติดค่าชาวบ้านติดค่ารถไฟติดอะไรโดนเราจะเอาไหนมาใช้ไปโ น, น, น่นในยจิตของเรา หรืออะไรก็แล้วแต่แหละที่มันเป็นสาเหตุดึงดูดจิตของเราไปตรงนั้นเราต้องทําให้ได้ทําไงอะ่ะเมื่อมันไปแล้ว่จิตมันไปแล้วมัคิดอย่างเดียวที่จะหาเรื่องกลับบ้านอะอะตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่ท้าทายนะมาที่นี่เรามามาก็คิดอีกแบบนึงเออเรามาทําบุญนะการที่เรามีปัญหาอย่างนั้นเพราะเราไม่เคยทําบุญกุศลมาก่อน มันจะมีปัญหาให้เราคิดกังวลแบบนั้นณนะวันนี้เรามีโอกาสแล้วเนี่ยมาสร้างบุญกุศลอย่างสูงสุดคือบุญวิปัสนาเพราะฉะนั้นเราตั้งใจทําดีที่สุดเพราะเราทําดีที่สุดตรงนี้บุญกุศลตรงนี้จะช่วยเราให้ลดย่อนผ่อนปัญหาต่างๆที่เราวิตกกังวลอยู่ขณะ น, น, นี้ลงเพราะฉะนั้นเราจะตั้งใจทํางานอันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็ตั้งใจนี่คือการวิธีการหา ความคิดที่เป็นบวกเป็นโพสตีฟท i n กิ้งเอาเข้ามาช่วยเรียกว่าศรัทธาการที่จะเกิดศรัทธาได้ก็พยายามสร้างความคิดบวกเข้ามาเป็นสัมมาทิฏฐิพยายามคิดในทางบวกเอาไว้คือสร้างกําลังใจให้แก่ตัวเองเป็นเมื่อบางครั้งตัวเอง ท, ท้อห่อเหวท้อถอยก็พยายามสร้างตัวนี้เป็นกุศลและจิตเรียกว่ามีกุศลคําว่ากุศลนั่นหมายความว่าฉลาดในการคิด แทนที่จะสถานการณ์มันเป็นลบเราไม่จำเป็นจะทำในทางลบแต่พยายามหาทางทำคิดในทางบวกสถานการณ์มันก็จะเป็นบวกขึ้นมาบ้าข้ามันวิกฤตใช่ไหในความคิดยุ่งเหยิงวุ่นวายสับสนในหัวเนี่ยเราก็หยุดชั่พักหนึ่งแล้วก็ค่อยเรียบเรียงเสื้อใหม่ลำดับความคิดใหม่เราไม่ได้ทำในขณะที่มันวุ่นวุ่นนะทำตั้งใจลาดับความคิดดูให้ดี ลักษณะอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะเห็นเหตุอ๋อกายกับใจของเรามันไปไม่ได้ไปด้วยกันนะกายเราอยู่ตรงนี้แต่ความรู้สึกตัวซื่อๆตรงๆมันคือเช่นนี้แต่ใจเรามันไปสร้างความคิดสร้างเรื่องขึ้นมามันก็เลยขัดแย้งกันก็นให้เกิดความขัดแย้งไอ้ตัวขัดแย้งตัวนี้ก็ให้เกิดความไม่ลงตัวเกิดความอาจกาดกาดกันไปคนละทิศละทางหาสาเหตุให้เจอนะ ดันั้นเราจะเห็นว่าการปฏิบัติวันนี้จึงเป็นไปเพื่อการรู้ทุกอย่างที่ต้นเหตุนะรู้ที่เหตุของมันสิ่งทงหลายเกิดแต่เหตุเมื่อรู้ต้นเหตุแล้วก็ค่อยแก้ไขไปนะ น, นั้นเราติดขัดตรงไหนแก้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็การที่เราได้ม า, าทําวัดสวดมน์การที่เราได้มาฟังธรรมลราได้สั่งสมสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีๆแล้วเก็บไว้ในส่วน ลึกของเราเป็นจิตใต้สำนึกของเราในส่วนนี้มันก็เป็นจิตใต้สำนึกที่ดีเหมือนเราเก็บของดีๆไว้ใต้ถุนบ้านของเรานะเมื่ อ, อเราขาดแขนมันก็จะขึ้นมาแต่ในแต่ละวันถ้าเราอยู่ที่บ้านเนี่ยถ้าไม่มีการเจริญสตินะแล้วเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมตัวเราเนะี่ยส่วนใหญ่เป็นเหตุการณ์ในทางที่เป็นลบคือเป็นนกติเราก็จะซับในสิ่งอันนั้นเอาไว้ใต้ใตใตสานึกใต้ถุนบ้านของเรา เก็บของที่ไม่ดีแต่พอเราเผลอไอ้ของอมันไอ้ไอความขาดแคลนนี้เราก็ไปเอาของที่มาดีขึ้นมาใช้เพราะเราเก็บมันไว้นั้นสิ่งนี้มีผลต่อชีวิตนะเพราะฉะนั้นเราต้องการเจริญสติที่ถูกเราก็จะฝึกในการที่จะมองอะไรที่เป็นกุศลเอาไว้มองเป็นกุศลมันก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนติดแต้สํานึกที่มันเป็นอกุศลให้เป็นกุศลได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น เพราะนั้นสมมติเราใช้ชีวิตที่นี่เจดวันหรือสิบวันเนี่ยถ้าเรามีสิ่งวดล้องที่เป็นกุศลตลอดเจวันเนี่ยไอ้ตัวนี้มันก็จะไปชําระในสิ่งผิเป็นอกุศลเพราะตัวที่เป็นกุศลนี่มันเหมือนแสงสว่างตัวที่เป็นอกุศลมันเหมือนความมืดนะดังนั้นในใต้ถุนเก็บห้องเก็บของหรือเบสเมนต์เนี่ยมันอาจจะมืดมาหลายสิบปีแต่พอเรามีไฟมีแสงสว่างเข้าไปเพียง ไม่กี่นาทีเนี่ยความมืดมันสลายทันทีทั้งที่มันสะสมมาหลายปีเนี่ยชั้นใดก็ดีไอสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายที่เป็นอกุศลเคยสั่งสมมาเนี่ยมันอาจจะเก็บไว้หลายปีแต่พอเรามาได้ตัวรู้สึกตัวที่เป็นแสงสว่างเนี่ยเข้าไปแทนปั๊บเนี่ยอกุศลทั้งหลายสลายตัวหมดเลยเราสามารถเปลี่ยนจิตไร้สํานึกที่เป็นอกุศลให้เป็นจิตรู้สํานึกที่เป็นกุศลขึ้นมานั่นคือเราได้เปิดตัว ประตูสมาธิถิได้แล้วนะแล้วต่อไปเราเจริญสติอยู่ไม่ขาดสายเนี่ยจิตของเราก็เริ่มสร้างในส่วนที่เป็นกุศลเรื่อยๆแล้ววิถีชีวิตเราก็จะเปลี่ยนไปเพราะเราเริ่มเริ่มมองสิ่งรอบข้างเป็นในฝ่ายบวกแล้วอะไรๆก็จะดีขึ้นนะคนที่เคยเป็นปฏิฆะเป็น ปฏิปักกับเราเนี่กับดีขึ้นก็มีนะเทียงแต่เรารู้จักวางใจดังนั้นชีวิตที่เราได้มาเนี่ยมา ว, าว่ามันโชคดีพอแล้วนะเพราะเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็อาคบอาการสาิีสองในเป็นพระพุทธศาสนาแล้วได้มาเจริญสติเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดแล้วแต่ยังไม่ถึงที่สุดเพราะว่าเราจะต้องหายสงสัยก่อนตัวหายสงสัยนี่สำคัญเพราะาชีวิตเนี่ยมัน ถ้ามันยังไม่หมดสงสัยเนี่ยมันไม่ลงตัวอ่เหมือนกับนักฟุตบอลนะถ้าตราบใดลูกฟุตบอลมันไม่เข้าประตูนะมันก็ต้องวิ่งเตะกันอยู่อย่างนั้นแหละแต่เมื่อไหร่มันเข้าประตูปั๊บอ่ามันหยุดทันทีลงตัวแล้วตั้งต้นเกมเดิมใหม่แต่ชีวิตจริงไม่ใช่อางนั้นจิตของเราที่มันมันวิ้งเหมือนลูกบอลมันยังไม่เข้าไปสู่ประตูแห่งสมาธิเนี่ยมันหยุดไม่ได้มันจะต้องแสวงหา ทางมันเลยไปนะตัวอยากทั้งหลายเหมือนกับนักเตะทั้งหลายจิตของเราก็ถูกความอยากมันเตะไปเรื่อยเตะตรงนั้นทีเตะตรงนี้นทีนะเราก็อาจจะเข้าประตูสมาธิก็ไม่ได้เพราะมันมีปัญหาอุบัติศั่ายตรงข้ามเขาก็กดักหลอไม่ให้เข้าสักทีนะตัวอุบัติศักปัญหาทั้งหลายเนี่ยคือตัวฝ่ายตรงข้ามตัวอคุศลตัว ตัวที่เป็นกุศลมันก็เหมือนเหมือนฝาเราที่จะใยที่จะไปสู่ประตูนั้นตัวที่เป็นอกุศลคือฝ่ายทีมตัวกันข้ามเขาก็ดักไม่ให้เข้าเหมือนกันเราก็เหมือนกันพยายามที่จะล่อมจิตให้มาอยู่ประตูปัจจุบันเนี่ยนะจะล่อมให้อยู่มันก็ไม่ค่อยอยู่อีกฝ่ายหนึง่งก็จะดึงไปเรื่อยๆอดีตก็จะดึงไปนี้อานาคตก็จะดึงไปนี่เตะออกไปเรื่อยเตะจิตของเราออกไปจากปัจจุบันแต่เราพยายามเตะเขากลับมาปัจจุบันนวิ่งทั้งวันเลยใช่ไหม มันก็ยังไม่เคยเข้าจิตมันไม่เข้ามาสู่ปัจจุบันวิ่งไปโน้นบางทีวิ่งป้อนกลางสนามอะไรมาสนามฟุตบอลมันมีตัวเล่นมีแค่ฝ่ายละห้าละสิบไอเรามาทีบางทีตั้งหลายตัวนะเดี๋ยวตัวนั้นโผล่มาเดี๋ยวตัวนี้โผล่มาเตะมันสนามยังมีขอบมีริมใช่ไหมแต่จิตของเราบางทีถูกเตะโด่ไปต่างประเทศนั่นน่ะมันมีขอบเลยข้ามไปตั้งหลายพันหลายพันไม้นะคิดไปเนี่ยเห็นไหม มันก็ยากตรงนั้นแหละดังนั้นเวลาเราจเจริญสติทําความรู้สึกตัวเนี่ยประการสําคัญต้องรู้ปัจจุบันที่ปรากฏให้ชัดที่สุดไว้ก่อนระหว่างความชัดกับการเพ่งนี่ต่างกันนะถ้าเราไปเพ่งไปจ้องไปบีบไปรัดที่จะให้มันอยู่เนี่ยมันจะไม่อยู่แต่ว่าทําอะไรที่ชัดชัดเจนไว้ก่อนเข้ามาชัดนี่หมายเขาว่ามันจะไม่มันจะไม่เร็วเกินไป แม้ขณะเดียวกันถ้าว่าช้าเกินไปก็กลายเป็นเพ่งนะถ้าเร็วเกินถ้าเร็วเกินไปกลายเป็นหลงแต่พอดีเนี่ยมันกลายเป็นชัดเจนเพราะฉะนั้นไม่ว่าการยืนการเดินการนั่งการนอนเน้นตัวความชัดเจนไว้ก่อนนะความปรากฏชัดก็ได้นะปรากฏชัดเราจะใช้คําว่าปรากฏชัดเพราะตัวปรากฏชัดเนี่ยเป็นองค์ของปัญญาเนาะทำอะไรก็สมมติจะหยิบจะช่วยอนะไร ใ, ให้ชัดชัด มันก็มีหน้าทีในการระวังในตัวของมันเองนะจะปัญญาเยทะตรงนั้นเพร่าปรากฏชัดทำฉนัการทําที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นจะพึงปรากฏชัดเพราะว่าปัญญาคือปรากฏชัดอะไรก็ตามที่ที่มันทําแล้วทําให้มันเห็นชัดชัดในเรื่องนั้นๆมันก็จะไม่คลุมเครือมันไม่สงสัย อ, อันนั้นทุกอิเดียบทนะทุกก้าวย่างที่เราเดินไปนะพยายาม นิยมที่เขามาปฏิบัติหลายคนที่เขาพยายามที่จะถามเมื่อไหร่มันจะเมื่อไหร่มันจะจบไอ้ตัวนิสัยและความคิดแบบเนี้แก้ไขได้ยากมากเพราะอะไรเพราะยุค ป, ปัจจุบันทุกอย่างมันสําเร็จรูปใช่ไหมล่ะสําเร็จรูปแล้วเป็นเอามาเรียกว่าวัฒนธรรมกล่องนะฮะอะไรก็ออกมาเป็นกล่องหมดแม้แต่สติหรือสมาธิปัญญานี่ก็พยายามที่บรรจุเป็นกล่อง ที่เราจะได้ทำมันง่ายๆนะไม่ต้องใช้เวลาเหมือนไปซื้อของเลยให้สำเร็จลูปทีนี้ในลนักษณะของการปฏิบัติมันไม่ใช่สำเร็จรูปแบบนั้นนะนะมันเป็นธรรมชาติที่มันจะต้องเติบโตไปอาศัยความพร้อมหลายอย่างเพราะนั้นทุกขณะคือถ้าเราทำถูกต้องเราก็มันก็สำเร็จไปทุกขณะแตถ่ถ้าทำไม่ถูกต้องมันก็ล้มเหลวไปทุกขณะเหมือนกันเพราะฉะนั้นจุดสาคัญคือการเห็นที่ถูกต้องที่เรียก ว, ว่าสัมมาทิฏฐิ แล้วก็ทบทวนอยู่ใน4ี่เรื่องนี้แหละทุกสมุทัยนิโรธมากนะมันจะมีอยู่แค่นี้ในสมาธิฐีเนี่ยทุกสมุทัยนิโรธมากนะทุกเรารู้จักไหมเรารู้จักแล้วทุกทางกายมีอะไรบ้างลำดับดูสํารวจให้หมดตลอดเวลาตั้งแต่หัวจุดเท้าเนี่ยเรามีทุกอะไรบ้างนะเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่ ง, ขงตึงและอาการทุกเหล่านี้ปรากฏเรามีท่าทีอย่างไรต่อมันทุกต้องกําหนดรู้รู้อย่างไร ให้รู้ที่ได้กล่าวไปวันก่อนว่ารู้ทุกที่ปรากฏในกายในใจของเราเนี่ยรู้ว่ามันเป็นทุกข์หรือว่ารู้ว่าเราเป็นทุกหรือว่ารู้สึกว่ามันอาการมันเป็นเพียงอาการอันหนึ่งที่เราเคยไม่ชอบมันแต่เดี๋ยวนี้มันก็กลับมาใหม่แต่เดี๋ยวนี้เราดูมันเฉยเฉยเราไม่แสดงอาการชอบหรือไม่ชอบก็ดูอาการเฉยเฉยเนี่ยรู้อย่างนี้รู้แบบไหนที่เราเราเป็นทางที่ถูกทุกต้องกําหนดรู้เนี่ยเคยรู้เรื่องของสมูทัย คือรู้แล้วหาสาเหตุในขณะที่หาสาเหตุเจอเนี่ยมันก็เป็นการเยียวยาไปเลยในตัวนะไม่ต้องไปทําอะไรมันแต่ถ้าเป็นโรคห่อยๆเจ็บทางกายเนี่ยหาสาเหตุเจอแล้วจะต้องลงมือเยียวยารักษาแต่ในแง่ของจิตของอารมณ์แล้วพอหาสาเหตุเจอแล้วมันจบไปเลยโดยที่ไม่ต้องไปเยียวยารักษาอะไรมันนะหาสาเหตุให้เจอเพอะการเห็นการพบนั่นเองคือการเยียวยา การรู้การเห็นนั่นคือการเยียวยาไปในตัวนะเมันก็ทบทวนเวลาที่จะดับก็อย่างที่กล่าวแล้วมันเกิดที่ไหนก็ดับที่นั่นมันตั้งมั่นที่ไหนก็ดับที่นั่นอืมมันตั้งต้นที่ความไม่รู้ก็ดับที่ความไม่รู้มันก็เป็นความรู้ขึ้นมามันตั้งต้นที่ความหลงก็ดับความหลงความไม่หลงก็ปรากฏอ่ามันตั้งต้นที่ความคิดแล้วเข้าไปดูความคิดเปลี่ยนความคิดเป็นความรู้เสีย ความไม่คิดไม่ปรุงแต่งมันก็ปรากฏนะแล้วก็วิธีการที่ได้กล่าวแล้วก็คือรู้จักพิสูจน์หาวิธีการขั้นตอนอะไรด้วยตัวเองเราไม่จำเป็นต้องเดินตามบทตามทฤษฎีที่ท่านว่ามาก็ได้หาวิธีการด้วยตัวเองจะทำอย่างไรให้มันเกิดความเข้าใจตั้งแต่สิ่งเล็กๆน้อยนอยไปดังได้กล่าวแล้วการลุกการ น, นั่งการย่างการเดินเคลื่อนไหวหยิบหยับจับเวยเนี่ย เล็ก น, น้อยหัดรู้ไปไอความแยบคายที่โยนิโสมัสิกามันจะกลายเป็นนิสัยของเราทีละนิดและนิละนิดอากส่วนที่เราปฏิบัติแบบนี้นะถ้าทําจนชำนิชนานาญจนกลายเป็นนิสัยเนี่ยมันจะเอื้อต่อเรื่องของสมุดทั้งหมดและการใช้ชีวิตของเราก็จะง่ายเพราะว่าเราจะเกิดความแยบคายชำนิชนานาญยิ่งขึ้นเรื่อยๆร่ะละเอียดประนีตขึ้นเรื่อยๆ นะชีวิตพอเรารู้อะไรละเอียด่านี้เราก็แก้ไขมันเหตุถูกเหตุใช่ไหมพอ แ, แก้ไขถูกเหตุมันก็เกิดความผ่อนคลายนะความผ่อนคลายความลงตัวของมันความสงบความสุขความาปีติอะไรต่างมันก็ปรากฏเป็นชีวิตขึ้นมาชีวิตของเราก็รู้สึกไม่มีความทุกข์อะไรมันผ่อนคลายซึ่งไม่ใช่เรื่องยากนะแต่ที่มันยากตรงไหนความศรัทธา ยังไม่เต็มเปี่ยมความเพียรยังไม่ต่อเนื่องสติยังไม่สมบูรณ์สมาธิยังไม่ตั้งมั่นปัญญายังไม่ชัดเจนตรงนี้แหละค่อยปรับไปเรื่อยๆปรับเพิ่มพูนขาดตัวไหนเพิ่มตัวนั้นค่อยสดดํารวจค่อยสดดํารวจแค่ห้าตัวเนี่ยไม่ต้องมากศรัทธาเราเป็นไงศรัทธาเต็มร้อยไหมอ่เต็มร้อยนะมันร้อยแบบไหนก็ดูอีกนะศรัทธาความเพียร แต่ความเพียรให้ถูกต้องนะความเพียรถูกต้องในสสถานสถานไหนบ้างเพียรระวังในส่วนที่มันจะเผิอไม่ให้มันเกิดสองถ้ามันเผลอเกิดต้องสลัดทิ้งทันทีสพยายามเพิ่มพูนตัวรู้สึกอย่างสม่ำเสมอสเมื่อเพิ่มพูนได้แล้วรักษาระดับนั้นไว้อย่าให้มันตกไปกว่านั้นอันนี้คือเพียรลักษณะอย่างนี้นะนั้นเราจะเห็นว่าข้อมูลทุกอย่างพร้อมหมดละ ขึ้อยู่กัว่าเราจะทําถูกหรือไม่ถูกอันนี้ก็ค่อยศึกษาสังเกตไปแล้วก็นําไปใช้ที่บ้านสนามจริงที่เราจะปฏิบัติได้ผลไม่ได้ผลเนะี่ยคือที่บ้านของเราที่นี่คือคือเป็นการมาเรียนเข้าห้องเรียนเท่านั้นเองนะแต่ที่เราจะออกไปทํางานคือที่บ้านของเราที่บ้านของเราเนะี่คือสนามจริงบางคนยิ่งฝึกยิ่งปฏิบัติ พอไปเจอเหตุการณ์ที่บ้านโอ้ยิ่งสนุกปฏิบัติก้าวหน้าแก้ปัญหาได้ดีใช่ชีวิตลงตัวแต่บางคนคนละเรื่องเลยนะบ้านอปัญหาเยอะแยะฉันไม่เอาละทิ้งอ่ะที่ที่ปฏิบัติมาก็เหมือนฝันลืมไปเลยอันนี้ก็ก็เสียเวลาเปล่านะดันั้นมาฝึกฝนที่นี่ต้องการให้เกิดความเข้าใจทำด้วยความเข้าใจเพราะก็มันอันเดียวกันเนี่ยเราทำที่นี่ที่บ้านก็เหมือนกัน เราเข้าใจแล้วทําที่บ้านก็ทําเป็นนะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะง่ายชีวิตก็จะลงตัวรู้สึกว่าจะชีวิตมันจะผ่อนคลายทันทีนะแต่พึงระวังความเคยชินเท่านั้นเองความเคยชินความที่เราเคยเพลินโดยเผลอยังไงก็ไปเข้าหลอบใหม่ก็เป็นอย่างเดิมไม่ใช่เราเคยต้องระมัดระวังสิ่งที่ทําให้เราเพลินเราเผลอง่ายที่สุดคืออะไร คือความสนุกอาสาทะความอดีตอร่อยหรือความอยากท่านใช้คำว่าอาสาทะมันดึงดูดมันเร้าใจมันสนุกสนามันชวนอะไรพวกนี้อันนี้คือตัวที่จะทําให้เราสติขาดง่ายที่สุดเลยเพื่อนั้นไปถึงหน้าจุดนั้นเน่ยเราจะต้องตั้งสติให้ดีนะตั้งสติให้ดีแล้วก็ค่อยลําดับให้เห็นโทษของมันหเห็นโทษของอาสาทะ เมื่อเราเห็นโทษบ่อยๆแล้วก็จิตของเราก็จะถึงมันจะสรุปเสดายถึงจะมันรียนกวนใจขนาดไหนแล้วก็อดเอาทนเอาพอจิตใจเราเข้มแข็งขึ้นสติปัญญาเรามองเห็นโทษได้มากขึ้นมันก็ อ, อดเปรี้ยวไว้กินบานนะเราก็จะไม่เผลอนั้นในช่วงเ <c oughs> ย็นวันนี้ก็ถือว่าเราได้ทําความเข้าใจในเรื่องของนิโรธโดยภาพกว้างในการแก้ปัญหาหาสาเหตุของปัญหา แล้วก็ศึกษาปัญหาทุกอย่างด้วยความละเอียดและแยกขายเริ่มต้นนัจุดแห่งความรู้สึกตัวไว้เสมอแล้วก็ลำดับต่อไปถ้ามันเริ่มเพอเริ่มเพลินตั้งความรู้สึกขึ้นมาใหม่แล้วก็เริ่มต่อไปเพราะว่ามันสติมันยังไม่คงที่มันก็มีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงอยู่แต่พอเมื่อไรเราทำต่อเนื่องไปจนคงที่แล้วมันระ ด, ดับมันเสมอเสมอมันเสถียรแล้วเนี่ย มันก็พึ่งได้เหมันไฟที่มันสว่างตลอดมันไม่ว่าว่าแวบบ่วๆจนเหมือนที่สมัยก่อนที่เราจุดไฟใต้ไฟน้ํามันตะเกียงหรือจุดเทียนอย่างเงี้ยอันนั้นไม่แน่นอนนะแต่เดี๋ยวนี้พอเราพัฒนาคงที่เข้าที่แล้วไฟก็เสถียรตลอดสติความรู้สึกตัวเหมือนกันถ้ามันยังไม่แน่นอนก็เหมือนเราจุดไฟตะเกียงนั่แหละอืไม่แน่นอนมันท่าจะดับอยู่เรื่อย เราต้องพัฒนากำลังของสตินี้ให้ให้มั่นคงให้เสถียรให้ลึกขึ้นจนกระทั่งมันกลายเป็นมหาสติมหาปัญญาแสงสว่างของชีวิตก็คงที่ชีวิตก็จะรู้สึกถึงความปลอดภัยความมั่นคงคมไม่ลังเลไม่สงสัยในการใช้ชีวิตไม่มีความกลัวอยู่ในใจนะก็ค อ, อนวัฒนาสาธุในความตั้งใจของพวกเราทั้งหลายที่จะศึกษาเรียนรู้และทาความเข้าใจตัวเองไปเรื่อย จนกระทั่งรูแจ้เห็นจริงในตัวเองด้วยกันทุกคนทุกท่านเถิด